สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องบริการหลอนถึงที่เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ดุยพี่ดุยเปิดร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลูกค้าเอามาซ่อมแล้วที่ร้านแก่ยังรับออกไปซ่อมนอกสถานที่ด้วยวันหนึ่ง เวลาประมาณ6โมงเย็นพี่ดุยได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งสวัสดีครับร้านรับซ่อมเครื่องใช้ฟ้ามีอะไรให้รับใช้ครับปลายสายไม่ตอบจนพี่ดุยถามซ้ำอีกครั้งคุณครับต้องการให้ซ่อมอะไรหรือเปล่าจากนั้นก็มีเสียงตอบจากปลายสาย น้ำเสียงเย็นยานฟังชวนให้อึดอัดมาดูตู้เย็นให้หน่อยพี่ดุยฟังแล้วรู้สึกไม่ดีเลยอยากวางสายมากแต่ก็ทนคุยต่อแล้วบ้านน้องอยู่ไหนผมจะรีบไปดูให้เธอตอบว่าบ้านอยู่แถวสวนมะม่วงติดสะพานไม้ข้ามคลองมีหลังเดียวพี่น่าจะรู้จักพอพูดจบ สายนั้นก็ตัดไปพี่ดุยพยายามนึกถึงบ้านที่ว่านั้นว่าอยู่ที่ไหนพอนึกออกก็เลยเตรียมอุปกรณ์และขับรถไปยังบ้านหลังนั้นไปถึงก็ต้องแปลกใจเพราะบ้านนั้นปิดประตูเงียบเหมือนไม่มีคนอยู่สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ พี่ดุยตะโกนเรียกเรียกสักพักจึงมีคนออกมาเป็นหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาสะสวยอายุน่าจะยี่สิบตนตนปะแป้งขาวไว้เต็มหน้าเธอมีท่าทางนิ่งๆไม่พูดจาอะไรเลยพี่ดุยเลยรีบถามว่าไหนครับตู้เย็นที่จะให้ดู เธอเดินนำหน้าพี่ดุยไปพอเข้าไปในบ้านพี่ดุยรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกบรรยากาศชวนกละกกระอ่วนใจมากกว่าแกอยากรีบออกจากบ้านนั้นไวๆภายในบ้านดูหม่นหม่นทึบๆถังที่เปิดไฟอยู่พอมาถึงหน้าตู้เย็นพี่ดุยรีบตรงเข้าไป แล้วหันหน้าจะมาถามแต่หญิงสาวคนนั้นหายไปซะแล้วตอนนี้ใจคอพี่ดุยเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแต่ยังไม่ทันจะคิดอะไรต่อแกก็ได้กลิ่นเหม็นเนา่าๆกลิ่นสาบรุนแรงมากลอยมาเตะจมูกพี่ดุยเอามือปิดจมูกมองซ้ายมองขวาก่อนตัดสินใจจะเดินกลับออกมา ทันใดนั้นก็มีเสียงดังกุกๆกักๆอยู่ในตู้เย็นตอนนั้นพี่ดุยได้แต่ยืนขาแข็งเหงื่อท่วมตัวด้วยใจระทึกคิดในใจวันนี้มันเรื่องอะไรกันวะเนี้ยด้วยความสงสัยแกเลยค่อยๆดึงประตูตู้เย็นออกมาสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าร่างผู้หญิง กลิ้งออกมาจากตู้เย็นหญิงสาวคนนั้นเองร่างของเธอถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้ที่คอมีรอยมีดปาดเป็นรอยลึกยาวเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดแล้วเสียงที่ทําให้พี่ดุยต้องขวัญกระเจิงเมื่อหญิงสาวลุกขึ้นนั่ง ย, ยองๆยกมือไหวและยิ้มให้พี่ดุยพร้อมพูดว่า ขอบคุณมากนะพี่หนูอยู่ในนี้มาหลายวันแล้วเพียงเท่านั้นพี่ดุยวิ่งเตลิดออกจากบ้านนั้นมาทันทีแกรีบขับรถออกมาพอเข้าเขตบ้านคนจึงรีบโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงจึงให้พี่ดุยพาไปบ้านหลังนั้นพร้อมกับหน่วยกู้ภัยตำรวจและหน่วยกู้ภัยเข้าไปในบ้าน ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงเห็นตู้เย็นปิดเป็นปกติอยู่ตำรวจเลยให้หน่วยกู้ภัยเปิดตู้เย็นนำร่างหญิงสาวคนนั้นออกมาจากการสันนิษฐานของตำรวจเธอน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสามวันแล้วสาเหตุการตายน่าจะถูกฆาตกรรมเพราะมีผู้ชายมาติดพันเยอะเลยเกิดความหึงหวง เป็นเหตุให้เธอถูกฆ่าตายก็ได้จากนั้นมาพี่ดุยก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เธอซึ่งพี่ดุยเองก็ยังสงสัยไม่หายว่าทำไมเธอถึงเลือกโทรหาแกได้หรือเธออาจจะจำเบอร์ที่เขียนติดไป้ายไว้หน้าร้านก็ได้และเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r คร e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ